สงสัยไว้ใช่ไหมคะซ่้อซื้อคนเขาก็คือซื้อซื้อที่ซื้อคือคนเ้าก็ยังขยายีรือกับคนก็ยังสงสัยว่าเรื่องของท่านเนี่ยมันมัพูวันนี้ประวัติเป็นอย่างใหญ่ค่ะจากที่จากที่ว่าเล่าไปคือไม่เ่าไม่สวยที่คือตเป็นอนนี้ถึงเลย กลายเป็นหินไปเลยเข้าใจไหมคะแล้วล่างร่างที่เราไปไหว้วันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมที่เราไปยืนเราไปที่ที่เราไปทำบุญอะเข้าใจไหมคะอ๋อกลายเป็นหินไปเลยเข้าใจไหมค่ะโอ้เป็นเป็นล่างแท้ๆท่านเลยอ่ะแท้เลยอ๋อค่ะอ๋อที่เราไปยืนไหว้นะคะอ๋อก็เป็นกลเป็นหินไปเลยอ๋อกลายเป็นหินไปนะคะกลาเป็นหินแล้วคนก็ปิดทองไว้ให้คนบูชาอ๋อที่เราไปยืนไหว้แล้วเราใส่เราทำบุญอะนะคะ อ๋อมาค่ะแล้วแล้วก็ป่ากัจีวันมันมันเสื่อมสลายไปหมดแล้วใช่ไหมคะอ๋อป่ากัจีวันเราไม่อยู่แล้วนะเพราะมันพันพันกว่าปีแล้วใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าร่างท่านเป็นยิกันเลยอ๋ออันนี้ไ่ใช่ร่างท่านเลยท่านเป็นคนร่างเล็กๆกันแล้วค่ะอ๋อขาขาอย่างนี้เราก็อ๋อเป็นหินอ๋ออย่างนี้เราก็ไหว้ทุกพี่แหละนะคะอ๋อขาอ๋อขค่ะขาแล้วก มีใีไ้ร่างนั้นนะคะแต่เป็นกายเป็นหินไปไม่ใช่ไม่เน่าไม่เปือยกายเป็นหินไปเพราะท่านเป็นภพได้เป็นภพเลยเป็นอริยะนะเป่นเทพเจ้าท่านสูงอ่ะนะคือท่านเป็นเทพเจ้าทัานสูงก็คือท่านร่างของท่านอ่ะคือก็ไม่ไม่เน่าไม่เปือยแล้วจะกลายเป็นหินไปเลยแล้วที่ที่เราเราไปไหว้ควรเนี้ยองค์นั้นนะใช่ที่ที่เป็นตอมที่เรา่ะค ตามประวัติก็เป็นอย่างนี้ตามประวัติไม่ม่ตามประวัติคือไม่เล่าไม่เผยเราก็งงไคือยายก็งงว่าไม่เลาไม่เผยแบบไหนอะไรย่างๆค่ะคือหลงหลงพ่อที่ไทยก็มีของพงเนี่ยไทยเป็นหินเลยอ๋อค่ะมันอยู่ที่การอิฐานด้วยอ๋อค่ะได้ท่านีะขเอาอาจารย์มากเลยนะเป็นบุญแล้วเกินที่ได้ับกับท่านนะพี่นังโอเคนี่ก็อากโี่นี้หายสงสัยแลก็ขอบพระคุณนะกาขอบพระคุณท่านเป็นอย่างอยบามีท่านง ของวเานะอัวด้วยนะคะอาดูตาานล่อยฮัพี่นนมาะเลลพีู่ช่วยพ่ช่วยเที่ทเลมทะเลคุณตูีไีกไม่ม